เรื่องที่18เสียดายคนพายเรือข้ามน้ำเธอเกิดเรือล่มลงกลางแม่น้ำคนฉลาดเขาก็จะยึดเอาเรือที่ล่มแล้วนั่นเองหรือแผ่นกระดานสักแผ่นหนึ่งจากเรือล่มลานั้นใช้เกาะพยุงตัวเข้าหาฝั่งเป็นวิธีปลอดภัยมากที่สุดสำหรับคนที่กำลังมีภยัยคนที่สูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และตัวเองต้องแหวกวหว้ในทาน้ำตาก็เหมือนกันหากใช้ซากแห่งสิ่งที่สูญเสียนั่นเองในทางที่ถูกต้องก็จะปลอดภัยได้ความเสียดายเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งของจิตเกิดจากการสูญเสียของรักหรือคนรักคือตามธรรมดาใจคนเรานี้เก่อเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่รักเสมออาจเป็นมารดาบิดาคู่รัก ลูกเมียผัวบ้านเรือนและสิ่งของต่างๆบรรดาที่ตนมีความรักอยู่สิ่งอันเป็นที่รักเหล่านี้คอยพยุงใจไม่ให้จมลงสู่ความโศกสิ่งเหล่านี้จึงเปรียบได้กับเรือที่พยุงคนไว้ไม่ให้จมลงในน้ําพอสิ่งเหล่านี้แม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งสูญเสียลงไปใจก็เขว้งไม่มีที่เกาะ ไม่มีอะไรพยุงเราจึงรู้สึกขึ้นว่าเสียดายที่ว่าเสียดายก็คือเสียเปล่านั่นเองหมายความว่าเสียไปเปล่าๆปลีบๆไม่มีอะไรทดแทนคือคำว่าดายนั่นเองแปลว่าเปล่าคนที่ตกอยู่ในอารมณ์เสียดายอย่างมากนั้นก็เหมือนคนที่เรือล่มแล้วปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างลอยไปหมด ไม่ได้คว้าเอาอะไรไว้สำหรับเกาะแทนเรือเลยซึ่งที่แท้ถ้าคว้าเอาลําเรือหรือพายหรือแม้แต่แผ่นกระดานสักแผ่นหนึ่งมาเกาะไว้ก็คงจะไม่ถึงแก่จมน้ำตายเช่นเดียวกันคนที่สูญเสียของรักคนรักนั้นหากจะใช้ซากสิ่งที่สูญเสียนั่นเองมาเป็นเครื่องมือศึกษาธรรมะ เพื่อพยุงใจให้เข้าถึงความจริงและอยู่กับความจริงก็ยังจะมีทางผ่านพ้นความเสียใจอย่างใหญ่หลวงนี้ไปได้อยู่วิธียกสิ่งที่สูญเสียขึ้นพิจารณาความจริงดังกล่าวนี้ทางศาสนาเรียกว่าโปรงอนิจจังการโปรงอนิจจังอย่างง่ายๆคือเราต้องบริกรรมความจริงอันหนึ่งไว้เสมอว่า ทุกสิ่งย่อมหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันอยู่เสมอไม่ว่าเราจะพบใครหรือสิ่งใดให้นึกถึงสูตรนี้คือให้รู้ความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นการเดินทางทั้งนั้นคือเดินทางจากจุดที่มันเกิดขึ้นไปสู่จุดสลายตัวของมันเองและเดินอยู่ทุกขณะทุกเวลานาทีไม่มีอะไรหยุดนิ่งเลย ลักษณะที่มันเดินไปสู่จุดสลายตัวไม่หยุดนี้ทางศาสนาเรียกว่าอนิจจังเพื่อให้เห็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันท่านอาจหยิบอะไรอย่างหนึ่งใกล้ๆตัวท่านขึ้นพิจารณาสอบถามมันดูก็ได้สมมติว่าท่านหยิบกระดาษหนังสือพิมพ์ขึ้นมาแผ่นหนึ่งลองถามมันดูสิว่ามันมาจากไหน มันก็จะบอกเราว่าเดิมทีมันเป็นต้นไม้อย่างหนึ่งอยู่ในป่าถึงต่างประเทศเดินทางมาจากป่าเข้าโรงงานทำกระดาษในโรงงานก็ย้ายจากมุมนี้ไปมุมนั้นจากมุมนั้นไปมุมนอนจนกระทั่งเป็นแผ่นกระดาษแล้วก็ขึ้นรถลงเรือมาถึงท่าเรือของเตยเมืองไทยขึ้นจากเรือ เข้าโกดังออกจากโกดังขึ้นรถบรรทุกไปอยู่เอเย่นขายกระดาษจากเอเย่นไปโรงพิมพ์จากโรงพิมพ์ไปร้านขายหนังสือพิมพ์แล้วเดี๋ยวนี้มาอยู่กับท่านและเมื่ออยู่กับท่านพอสมควรแก่เวลาแล้วมันก็ไปกับเจ๊กขวดมาขายกลายเป็นถุงใหญ่บ้างเล็กบ้างไปอยู่กับเจ๊กขายขนม หรือแขกขายถั่วมันๆจากนั้นก็ไปอยู่กับคนซื้อขนมประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ลงถังผงขึ้นรถขยะเทศบาลออกไปสู่จุดสลายตัวที่นอกเมืองบางพวกยังกลับชาติเป็นปุ๋ยเคมีติดตามท่านผู้รากมากดีไปอยู่ในกระถางกุหลาบกลางเมืองหลวงอีกนี่คือการหมุนไปสู่จุดสลายตัวของกระดาษแผ่นหนึ่ง สิ่งทั้งหลายอื่นก็เหมือนกันนี้ทั้งนั้นลองถามมันดูแล้วก็อย่าลืมลองถามตัวท่านเองดูว่าเหมือนกับพวกนั้นเข่าด้วยหรือเปล่าแน่นอนที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรหยุดนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างย่อมหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันทุกนาทีคนจำนวนพันๆที่แออัดกันอยู่ในโรงหนังนั้นถ้าดูเผลอ ก็เหมือนเขาหยุดอยู่ด้วยกันแต่ถ้าดูให้ซึ้งแล้วเราจะเห็นว่าคนเหล่านั้นกําลังต่างคนต่างไปผมของเขาก็กาลังไปฟันของเขาก็กาลังไปเนื้อหนังของเขาก็กาลังไปเสื้อกางเกงและกระโปรงที่เขาใส่อยู่กับตัวก็กําลังไปแม้แต่ตัวรองหนังนั่นเองก็กําลังไปไปทั้งนั้น ไปไหนกันละ่ะไปสู่จุดสลายตัวของเขานั่นเองดูโลกตามเป็นจริงอย่างนี้เรียกว่าปรงอนิจังคือดูให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเดินไปสู่จุดสลายตัวของมันแล้วก็หันไปดูของรักที่ท่านสูญเสียนั้นอีกทีแจกรงำงามที่เด็กทำแตกเมื่อวานนี้คนรักซึ่งอุสาหพร่ำเพรอดกอดรัดเอาไว้ ที่กลายไปเป็นของคนอื่นและลูกผู้น่าสงสารที่ตายจากไปเมื่อปีก่อนสิ่งเหล่านั้นและคนเหล่านั้นเขาก็เดินทางเหมือนกับเรานี่เองเขาก็ต่างคนต่างไปทางใครทางมันคนรักที่จากเราไปทำอ้อซ้ออยู่กับคนอื่นนั้นความจริงเขาก็ไม่ใช่จะเป็นของใครเขาก็เพียงเดินทางสวนกันเท่านั้น อะไรต่างๆที่เราคิดว่ามันเป็นของเราของเขาของคนนั้นคนนี้และเห็นว่ามันหยุดอยู่ด้วยนั่นเพราะเราเหนี่ยวรั้งเอาไว้เท่านั้นใจจริงของมันของมันอยากไปแต่เรายึดเอาไว้ไม่ยอมให้มันไปไม่ต้องดูอื่นไกลเอาแค่ตัวเรานี้ก็แล้วกันร่างกายที่เราคิดว่าเป็นของเราที่เราอุตส่าห์พินอกพิเทา แต่งเช้าแต่งเย็นทำมาหาเลี้ยงถึงกับบางคนยอมช่อโกงเอาของคนอื่นมาเลี้ยงมาแต่งเสียงคุกเสียงตารางก็ยอมแต่ร่างกายนี้เองมันจะได้คิดอยู่กับเราหรือเปล่าใจจริงมันอยากจะจากเราไปวันละสักห้าร้อยครั้งแต่เราไม่ยอมให้มันไปต่างหากมันหิวจะตายเรากินไว้มันง่วงจะตาย เรานอนไว้มันเหนื่อยจะตายเราพักไว้มันเจ็บจะตายเรารักษามันไว้มันจะขาดใจตายเราก็หายใจมันไว้ถ้าลองเราปล่อยให้มันไปสิป่านนี้เสร็จไปนานแล้วหัดปลงอนิจจังไว้เรื่อยๆอย่างนี้แหละครับแก่โรคอกหักได้ดีทีเดียววิธีนี้เรียกว่า เอาเศษกระดานเรือที่แตกแล้วนั่นเองมาเป็นเครื่องชูชีพเข้าหาฝั่ง